คือในบ้างภาวนาที่ท้ำพระกุทธมนต์ก็ดีนะเราได้มีโอกาสมาสัมผัส ใ, ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆธรรมชาติที่ยังมีฝ่าเขามีลำธานมีสัตว์ป่า มีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ะยะสนถะานที่ที่สงบวิเวกนะแต่ก็ไม่ใช่สงบแบบไม่มีเสียงอะไรนะเพราะว่าโดยแท้จริงแล้วธรรมชาติเขาก็มีเสียงของเขาแต่เป็นเสียงที่เกิดจากการเรียกว่าการวรดสานกันของลมบ้างของน้ําบ้าง ของต้นไม้บ้างเนั่นก็เป็นเสียงที่เรียกว่าผนะ่อนคลายเนาะเหมือนกับดนตรีผ่อนคลายที่เขาเอามากล่อมจิตกล่อมใจให้เราได้ได้สบายเอหรือว่าได้พักผ่อนมันก็ เ, นเด็กก็เรียนจากเสียงของธรรมชาติทั้งนั้นจิตใจของเราก็เมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาตินี้ก็เกิดความผนะ่อนคลายเนาะ ผ่อนคลายเรื่องต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ใจเปความกังวลใจออกไปเมื่อเราได้สัมผัสกับธรรมชาติเนะ ข, ข, ข, ขาเกิดความผ่อนคลายโดยอัตโนมัตินะนอกเสึกจากบางทีถ้าเราไปคิดนะไปกังวลหรือว่าไม่ยอมวางนะความคิดนะในจิตในใจออกไปนะไม่จะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติขนาดไหนนกะ็เอนะ มีความทุกข์ใจอยู่เป็นธรรมดาก็ธนะรรมชาติเขาก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งแต่แท้ที่จริงแล้วมันมเป็นเรื่องของจิตใจนะที่เรารู้จักอนอ่อนผ่อนตามธรรมชาติไหมนะหรือว่าเป็นการที่เรารู้เท่าทันจิตใจของเราไม่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้คลายไม่ได้สบายไม่ได้เพราะนั้นะ ถ้ า, าสังเกตแม้เราจะอยู่ในธรรมชาติที่เงียบสงบขนาดไหนแต่มันก็มีธรรมชาติภายในใจของเรานี่เองที่มันไม่ยอมเงียบไม่ไม่ยอมส ง, สงบตามไปเลยนะแม้ธรรมชาติภายนอกจะคงคลืนอนะสบายสอดคล้องเนยะขนาดไหนแต่ธรรมชาติภายในใจเนะมันไม่ยอมเรียกว่าไม่ยอมพักนะมันทํางานอยู่ตลอดเวลา ธรรมชาติภายในตอนนี้คืออะไรคือความปรุงแต่งคือกิเลสคือความคิดคืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นตลอเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันตามมาอยู่ทุกหนทุกแห่งมันตามคอยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะสามารถห้ามอความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกในใจิตในใจได้หรือเปล่า ก็ห้ามไม่ได้ฉะ น, นั้นแต่แต่การห้ามความคิดความปุงแต่งหรือความรู้สึกเราไม่สามารถห้ามได้แต่สิ่งที่เราทำได้เพียงแค่รู้เท่าทันมันให้เร็วฉะ น, นั้นเมื่อความคิดความปุงแต่งเกิดขึ้นกับจิตนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆก็ได้แต่อย่าไปทำการห้ามมันเพราะว่ายิ่งห้ามก็คือการยิ่งกดข่มยิ่งกดข่มเมื่อไหร่ เมื่อเลิกกดข่มวันนั้นมันก็จะปล่อยออกมาฟุ้งซ้านสารพัดเพราะนั้นการทําวามสงบนะมันไม่ใช่การกดกดข่มจิตนะเพราะว่าถ้าการทำาวามสงบทำได้เพียงแค่การกดข่มจิตให้สงบเพียงแค่ชั่วขณะเพียงแค่ชั่วพาวเมื่อเมื่อเราถอนการกดข่มหรือว่าถอนออกจากสมาธิอันนี้จิตก็จะฟุ้งซ่านได้มากเลยนะหรือว่า เมื่อเราตอนออกจากสมาธิคันนี้อารมณ์นะเราก็จะดุนแดงบางทีคนที่เน้นการทำสมาธินะเมื่อตอนสงบก็สงบสงบเมื่อตอนจะคลุ้งซ่านก็เรียกว่ากลุ้มไม่อยู่หรือเมื่อตอนอารมณ์จิตใจดีก็ดี ด, ดีนะมีความสุขมีความสบายแต่พอไม่รู้เท่าทันกดข่มไม่ไหวก็กลายเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหนะ หรือว่าอารวาดฟาดหนากับคนนี้คนนี้หน่งหรือบางทีความโรคความโกรธ ค, ความหลงบางอย่างมันก็จะดุนแรงไปตามจริตนิสัยหรือว่าตามเหตุปัจจัยที่มากระทบเดฉะ น, นั้นการทำความสงบนะที่เกิดจากการกดข่มจิตไม่ใช่แนวทางที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แต่การรู้จักความสงบและความไม่สงบในจิตตรง น, นั้นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ ดังนั้นจิตบางครั้งน่ะมันไม่สงบน่ะจากอะไรก็แล้วแต่จากความคิดจากความกังวลจากความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่จากด้านบวกก็ดีด้านลบก็ดีนะหรือว่าด้านที่เป็นกลางก็ดีถ้าเราเพียงมีหน้าที่เพียงแค่รู้เท้าทันมันอ้อมันมีความไม่สงบเกิดขึ้นในจิตนะแต่เราห้ามไม่ได้นะมันมีเหตุมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทาให้หมัน เกิดมาเป็นเช่นนั้นเราก็เพียงแค่ยอมรับอาการที่เขาเกิดขึ้นอ้อมีความไม่สงบมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นก็แค่รู้ท่รู้เท่าทันเมื่อจิตรู้เท่าทันจิตอย่างเป็นกลางจิตก็เกิดความตั้งมั่นแล้วก็วางการปรุงแต่งวางอารมณ์ต่างๆเห็นเพียงแค่ว่าความปรุงแต่งเพียงแค่อารมณ์มาเกิดขึ้นแต่ เมื่อหยุดการปุงแต่งตรงนั้นได้มันก็ตกมันก็วางไปเหนะมือนแมีสิ่งของที่วางไว้อยู่ในมือแต่เราไม่ไปช่วยจับไปหยิบถือไว้นะเพียงแค่คลิดมือคว่คคคมลงไปสิ่งของนั้นก็ตกลงไปเช่นเดียวกันจิตก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์มีความคิดมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตแต่เมื่อไม่ไปยึดว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่รู้สึกนั้นเป็นตัวเราเป็นของเรา สิ่งที่ปาฏนาหรือสิ่งที่ไม่น่าปาฏนาเพียงแค่รู้แล้วก็เฉยๆแต่มันมันก็ตกลงไปนะ น, นี่คือความสงบที่แท้จริงมันต้องเกิดขึ้นจากจิตที่มีสติมีปัญญาอยู่ภายในรู้เท่าทันอาการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนะจิตจะเกิดความสงบก็รู้ว่ามันเป็นความสงบจิตจะมีความสุขก็รู้ว่ามีมความสุข จิตมันจะ ส, สบายเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่ก็รู้มันสบายแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในความสุขความสงบหรือความสบายเนื้อความสุขความสงบความสบายภายนอกก็ดีความสุขความสบายภายในก็ดีไม่ใช่เข้าไปยึด ต, ติดไปอยู่กับเขาแต่เพียงแค่รู้ว่าอ้อมันมีอาการเกิดขึ้นภายนอกสบายภายในก็คอยสบายมากขึ้นเนาะก็ะเพียงแค่รู้แบบนั้น หรือบางทีภายนอกสบายแต่ภายในไม่สบายภายในฟุ้งสร้างภายในปุ่มแต่งภายในมีความคิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็รู้อ้อภายนอกมันสบายยะมันสบายแต่ภายในใจมันกับวุ่นวายไม่สงบนะแค่รู้ว่าอ้อมันเป็นแบบนี้จิตที่มีสติมันจะไม่อยู่ทั้งภายในและอยู่ไม่อยู่ทั้งภายนอกมันมันอยู่ตรงกลาง แต่ตรงกลางก็ไม่ใช่ไปหาสภาวะที่เรียกว่าไปหาตำแหน่งแห่งผลที่มันอยู่ของมันไม่จึงอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่มันไม่อยู่ทั้งภายในและไม่อยู่ทั้งภายนอกแต่มันรู้ทั้งภายในแล้วรู้ทั้งภายนอกอันนั้นจิตที่มันเป็นตัวรู้นะมันจะรู้ทั้งภายในรู้ทั้งภายนอกรู้รอบทั้งหมดนยรู้รอบกายรู้รอบใจรู้รอบสิ่งที่สัมพันธ์กับกายสัมพันธ์กับใจด้วยเนี่ยอันนั้น ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะมาฝึกฝนในที่ไหนก็นแล้วแต่ขอให้ฝึกฝนในแนวทางนี้ก็คือรู้เท่าทัน จ, จิตใจรู้เท่าทันร่างกายโดยที่ไม่เข้าไปอยู่ไม่เข้าไปเป็นนะหรือว่าไม่ไปผักใส่เขาหรือไม่อยากไปครอบครองเขาไวเพียงแค่รู้ว่าอาการใดเกิดขึ้นกับกายกับใจนี้นะเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้เท่าทันเท่านั้น อันนี้แต่เมื่อจิตมีหน้าที่รู้เท่าทันสินต่างๆนี้ตามความเป็นจริงมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะเรียนรู้จักกายเรียนรู้จากใจนี่แหละนกะายใจเนี่ยเขาจะสอนธรรมะธรรมชาติภายนอกที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เกิดความรู้สึกทางจิตใจก็ได้แต่เขาก็จะสอนธรรมะเช่นเดียวกันออหรือถ้าบางครั้งมัน เกิดปัญญาน้มนำธรรมชาติภายนอกมาสอนจิตภายใน mm. ก็สามารถเรียกว่าเกิดความพร้อมหรือว่าเกิดปัญญาได้เช่นเดียวกันที่จริงจะธรรมชาติทั้งภายในก็ดีธรรมชาติภายนอกก็ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนั้นเพราะนะเป็นธรรมชาติที่เป็นเป็นสิ่งเดียวกันแต่สิ่งที่บางที พูดไปนะบางทีจะทําให้คนเข้าใจผิดหรือกลายเป็นความเหตุผิดไปที่จริงการแยกภายในภายนอกมันก็เป็นการแยกแบบแบบสมมุติเรียกนะสมมติเรียกว่านี่คือเราสมมุติเรียกว่านี่คือเขาคล้ายๆมันมีการแยกถ้ามีเราก็ต้องมีเขาแต่ถ้าที่แท้จริงแล้วมันมีเรามีเขาจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าต้องบอกก็มีจริงแค่ธาตุสี่ขันห้าเท่าทนั้นเนอะ ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนะเพียงแต่องค์ประกอบแตกต่างกันไปนะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นดินเป็นหินเป็นหญ้าแล้วก็มีธาตุสี่นะเหมือนกันดินน้ำลมไฟมาประกอบกันด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันเท่านั้นนะหรือด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปแต่จริงธาตุทั้งสี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทั้งนั้นเป็นคนแล้วก็อาจจะ เมื่อตายไปก็ด่อยกระลายไปในร่างนี้นะไปเปลี่ยนเป็นร่างใหม่อีกเป็นร่างไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็บนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับต้นไม้ที่ล้มลงไปก็คลุกพังนะลงไปก็เกิดต้นไม้ใหม่ขึ้นมาแทนที่ถ้าทั้งสี่เาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอืมจงกว่าโลกจะเอาประสานนู่นแหละนะโลคนี้มันเอาสานตอนไหน เขาไม่รู้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้วก็คำนวณได้เพียงแค่คร่าวๆเท่านั้นแต่มันก็เปลี่ยนเปันไปแบบนี้ชั่อกับเชื่อกันมาแล้วแต่โรคภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันนะมันเปลี่ยนเร็วกว่าโรคภายนอกนโรคภายนอกบางทีกวาจะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็ใช้เวลาหลายปียคือภูเขาต้นไม้ กว่าจะที่เขาจะเกิดขึ้นมากว่าที่เขาจะตายไปก็หลายปีแต่ธรรมชาติภายในจิตนี่แหละมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรว ด, ดเร็วมากถ้าเรามีสติรู้ทันเนาะที่จริงตรง น, นี้แหละทํามาเรียนรู้ดูเนาะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ชั่วคราวเมื่อรู้เข้าทันมันก็หายไปหรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วบางทีก็ไม่รู้เข้าทันก็ไปปรุงแต่งต่อไปจากเรื่องหนึ่งไปอีกสองเรื่องสามเรื่อง พุงต่อไปเรื่อยๆนะแต่จริงก็เมื่อเปนหมดเชื้อมันก็หายไปมันก็วางของมันเองเช่นเดียวกันแต่ถ้ามีสติมันก็แค่วางได้เร็วขึ้นอเมื่อรู้เข้าทันมันได้เร็วไม่ไปปรุงแต่งกับมันมันก็พอของมันแค่นั้นเอมันก็เห็นอ๋อสิจริงเหตุปัจจัยที่สามารถทําได้ก็เพียงแค่นี้นี่เองทุกสิ่งทุกอย่างเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไฟทุกอย่างนั่นแหละเราจะเข้าไป ปรุงแต่งหรือไม่เข้าไปปรุงแต่งมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงแต่งมันมากมันก็ยืดยาวาไปหลายเรื่องเกิดเป็นความทุกข์เป็นอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าสติเป็นแค่รู้ทันเท่า น, นั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เข้าไปปรุงแต่งเพียงแค่รู้ทันว่าจิตมันเกิดการเกิดเกิดการดับ เ, เกิดสังคานเกิดวิดสังขารเกิดขึ้นไปในจิตนี้แต่จิตนี้ ไม่มีเราก็ไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ไม่ไปยึดว่าสังขารที่ปรุงแต่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเรามันก้งมีเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นเท่านั้นใหเราดูให้เราคอสังเกตดูดูอาการของกายอาการของใจนะโดยใจที่ไม่ไปยึดว่านี้อาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรามันเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมที่แสดงปรากฏการหนึ่งของธรรมชาติ นะของกายของใจของธรรมชาติภายนอกที่เขาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นจิตนะถ้ามันอยู่กับสะภาวะตรนี้ได้บ่อยนะก็จะเกิดความสงบนะสงบไม่ใช่เพราะว่าสงบเพราะไม่มีความคิดนะไม่มีกิเลสแต่สงบเพราะว่าไม่ไปยึดความคิดไม่ไปยึกกิเลสนั้นเป็นตัวเป็นตนของเรานะสงบเพราะว่า สงบแบบเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นผู้ศึกษาจิตตั้งมั่นดูอาการของการที่เกิดขึ้นเฉยๆนะเหมือนคล้ายๆเรานั่งอยู่ในที่เงียบๆือที่ปลอดภัยที่หนึ่งแล้วก็คอยสังเกตปรากฏการณ์ภายนอกนะได้ยินเสียงอก็เห็นก็ได้ยินว่าเสียงเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นอย่างไรอมีสิ่งต่างปรากฏผ่านมาภายในตาก็เห็นว่า อะไรเดินผ่านมาอะไรพัดผ่านมาหรือว่าลมสัมผัสแล้วก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปจิตที่เป็นผู้ตั้งมั่นในการดูในการเห็นในการศึกษาไม่ถล่มเข้าไปเขาก็เป็นเช่นนั้นมันเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแต่การผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรอยู่คงที่แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแน่นอนมีเพียงเพียงแค่ปรากฏการที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นแต่ที่สําคัญจิตที่มันรู้จิตที่มันไปดูคนอื่นมันก็ไม่สามารถไปยึดประคองหรือว่ารักษามันไดนะ้ตัวผู้รู้นี้ไม่สามารถประคองไม่สามารถรักษาไม่สามารถเรียกว่ากําหนดให้มันอยู่ตลอดไปได้ บางครั้งมันก็เกิดขึ้นมาเพราะรู้เท่าทันเพราะมีสติบางครั้งมันก็ดับไปเพราะว่าลงไปเป็นลงไปอยู่กับความคิดหน้าที่ก็กลับมาสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่จิตก็จะมีความจิตก็จะมีตัวรู้ขึ้นมาแทนที่ใหม่แต่ถ้ามีจิตมีกำลังเข้าสมาธิมาประกอบ ม, มากตัวรู้นี้มันก็จะชัดเจนมันก็จะเรียกว่า มันก็จะมั่นคงแต่ถ้ากำลังสมาธิมันน้อยนะตัวรู้ก็พร้อมที่จะหายไปพว้อมที่จะอ่อนไหวอ่าพร้อมที่จะดับไปได้บ่อยเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องของสติเรื่องของสมาธินะมนก็เป็นเรื่องที่ต้องกระทาควบคู่กันไปดังนั้นจะเป็นสมะถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สามารถจะแยกแยะ ก, ยกันได้โดยแท้จริงหรอก แต่เพียงแต่ว่าขอให้ทำอย่างถูกวิธีจะทำความสงบก็จะเพียงแต่ไปจมกับความสงบนะแต่ให้รู้ว่าจิตมันสงบหรือบางครั้งจิตไม่สงบก็รู้ว่าจิตไม่สงบนะถ้าทาความสงบก็อยากไปติดกับความสงบนะแต่จฉเดิมวิปัสสนาท่าเดียวนะก็ก็ไม่ได้นะจะเดินใยการเจริสติมันก็ถูกอยู่แต่บางขณะจิตก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเข้ามาหนุนเขน้ามาเสริม พอเป็นงั้นจิตที่มันมีแต่สตินะมันรู้มันดูมันศึกษาอยู่ตลอดเวลาบางทีจิตมันก็เหนื่อยมันก็ล้ามากเหมือนกับการเดินทางของเราอะจะเดินทั้งวันมันก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะเดินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนต่อเนื่องกันไปเรื่อยเรื่อยมันไม่สามารถทำได้เพราะว่ากายมันไม่ได้พักจิตก็เช่นเดียวกันจิตถ้าจะเป็นผู้รู้ผู้ศึกษา ผู้สังเกตอาการทั้งวันทั้งคืนเลยมันก็เป็นไ ป, นปนไม่ได้า่างขณะจิตเขาก็จะขอพักนะขอพักแบบไหนเขาก็ขอพักกับสมาธิขับขับสงบชั่วคราว น, นั้นการจเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปการที่จะศึกษาธรรมชาติของกายของใจมันก็ควบคู่กับการที่ทำจิตให้สงบให้สงบให้ใหเกิดความตั้งมั่น ให้เกิดความสุขความสบายเกิดขึ้นมั น, นเป็นสิ่งที่เรียกว่าแยกจากกันไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่ต้องเจริญควบคู่กันไปนะแต่ถ้าเราต้องเจริญแบบูรู้เท่าทันรู้ว่าอ้อตอนนี้กาลังเจริญสมถะอยู่ก็รู้ว่าจิตมันเป็นสมถะรู้ว่าตอนนี้จิตมันเดินวิปัสสนาก็รู้ว่าจิต เ, เป็นกาลังเดินวิปัสสนาอยู่นะ ทำอะไรก็ขอให้ทําให้มันถูกนะแล้วก็ขอให้เรียกว่าทําให้ทําให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยนะอย่าให้มันขาดตอนนะแม้ความคิดจะเข้ามาแทรกความปุุงแต่งจะเข้ามาแทรกบางขณะนะก็อาศัยสติรู้เท่าทันความปุุงแต่งนะรู้เท่าทันแล้วก็วางมันไปนะเราไม่สามารถห้ามความคิดความปุุงแต่งได้ สิ่ที่ทําได้จริงแค่รู้ธาตุนิพพานเขานะรู้ธาตุนิพพานเขาฝึกแบบนี้ยไ ป, ไปอยจะอยู่ที่ในป่า ก, ก็ดีจะอยู่ที่ในเมืองก็ดีนะจะอยู่ที่ไหนก็ได้วแต่นะก็ศึกษาธรรมชาติภายนอกศึกษาธรรมชาติภายในอย่างเนี้ยอย่างต่อเนื่องจะกระทั่งสัมผัสได้ว่าแท้ที่จริงแล้วภายนอกกับภายในมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนะมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ น, นี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเดินทางแล้วก็ได้มาบอกพวกเราต่อเนาะเราก็เป็นผู้ที่มาศึกษามาเรียนรู้ต่อเนื้อนะเป็นผู้ที่เรียกว่ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดไม่ใช่เพียงแค่กันมาบวชหรือว่าการมานับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่จะสืบทอดโดยการที่เราต้องเป็นเนื้อนาบุญให้ได้นะ เป็นเนื้อนาบุญสมควรนะแก่ส ก, การะสมควรแก่การกราบไหว้สมควรแก่การถวายทานนะจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือจะเป็นโยมก็ดีแต่ตอนนี้เราเป็นผู้ที่เรียกว่าผู้ที่เดินตามรอยนี้นะตามรอยของพิสุินะพิขาจาร์ไปเรื่อยนะพิขาจารคือผู้ที่ ผูเป็นผู้ขอผู้อื่นนะแต่ไม่ใช่ขอเพราะว่าต้องการเอ า, าสนองกิเลสปัญหาแต่ขอเพียงเพื่อประทางชีวิตนะขอปจัจจเจกีเพื่อประทางชีวิตแล้วการมีชีวิตนี้เพื่ออะไรก็ mm. เ, เพื่อประพฤติพรห ม, มจรรย์พรห ม, มจรรย์คือการที่เรียกว่าสุขผลดิดทั้งจิตใจเกิด ค, ความบริสุทธิ์เกิดความสงบเกิด ค, ความสว่างเกิดปัญญาเกิดขึ้นนั่นแหละ คือสิ่งที่พวกเรากำลังภาคเปี่ยนกังกระทำเนาะ ก, ก็ฝากไว้นะในเช้าวันนี้